พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ 3, สมสิงหาคม2557มีชื่อเรื่องว่าเขาขอเขียนประวัติวันนี้เป็นวันที่สาม สิงหาคมพุทธศักราช2557ห้าเจ็วันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนเก้าเข้าพรรษามาเป็นวันพระที่สามวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเมื่อเช้าก็พวกเราก็ได้ทำกิจกรรมไหว้พระสมาธิทานศีลหลวงพ่อก็ได้กล่าวสัมโมทิยกถาปาราบเรื่อง วันรรมัดสวนะวันปฏิบัติธรรมของพวกเราแต่วันนี้ก็เย็นนี้ก็พวกเราได้มารวมกันไหว้พระสวดมนต์จบลงสักครู่นี้ต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวอะไรให้คณะศรัทธาญาติโยมฟังในเมื่อกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะให้ฟัง รรมเทศนาแลว้วเอ็มพีสามของหลวงพ่อได้อัดไว้คือเพื่อให้เกิดประโยชน์ถ้าว่าหลวงพ่อไม่นํามาเปิดให้พวกเราฟังพวกเราก็คงจะได้รับไปแล้วก็คงจะห่างห่างเฮิร์นเฮิรนเพราะนั้นพอเหตุนั้นจึงให้ฟังดูซีฟังย้อนหลังดูที่หลวงพ่อได้พูดมานะ่ยมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ หลวงพ่อได้ลงไปกรุงเทพอันนี้ก็ควรจะแจ้งข่าวให้คณะสัทธาญาติโยมพระเนรลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อได้รับรู้รับทราบร่วมกันเพราะบางท่านอาจจะสงสัยในเมื่อเราได้ยินทีหลังเราอาจจะกลิ่งใจและสงสัยเพราะนั้นหลวงพ่อควรที่เป็นเจ้าของเรื่องก็ควรจะ บอกกล่าวให้กับคณะสัทธาญาิโจมพระเนรลูกหลานได้รับรุรับทราบร่วมกันคือหลวงพ่อได้ลงไปกรุงเทพพณะกลุ่มญาติโจมได้เข้ามาขอหลวงพอ่อขอเขียนประวัติของหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ได้พิจารณาบอกว่าไม่ยังไม่ให้รอรับไปรับพิจารณาดูก่อนหลวงพ่อเองก็กลับมาพิจารณาดู แล้วก็ลงไปอีกครั้งที่สองหลวงพ่อก็ยังไม่สนิทใจจะต้องได้ถามหม่พระความคิดเห็นศรัท ธ, ธาญาติโยมผู้อยู่ใกล้ดูสิมีความเห็นอย่างไรที่จะให้เขียนประวัติเนี่ย เ, เดี๋ยวปรึกษากันก่อนพอครั้งที่สามหลวงพ่อพิจารณาดูแล้วก็ได้ถามไทยใครก็ว่าเอาหลวงพ่อปูนนี่แล้วอายุถึง7 0ปีปีนี้แล้ว ก็ควรจะมีถ้าเขาใครจะเขียนก็เขียนประวัติถ้าว่าเขียนมาอย่างไรเราก็จะได้ตรวจตราดูว่าออกมาอย่างไรลักษณะอย่างไรแต่หลวงพ่อคือเอาอนุมัติอนุญาตเพราะฉอนั้นขอให้พวกเรารับผู้รับทราบนะหลวงพ่ออนุมัติอนุญา ต, ต, ต, ตให้เขาเขียนประวัติแต่ว่าการตรวจสอบนั้นหลวงพ่อก็คงจะตรวจสอบเป็นที่เขาเขียนมา แต่หลวงพ่อก็บอกว่าเรื่องประวัติของหลวงพ่อเนี่ยสถานที่เกิดอะไรก็ตามพ่อแม่หรือว่าอายุเกิดเมื่ อ, อไห ร, ร่ยังไงพอาหลวงพ่อเองก็ได้เขาก็ขอประวัติหลวงพ่อไม่รู้กี่ครั้ง ก, กี่หนเหมือนกันอย่างที่หลวงพ่อได้รับพระราชทานพระทานปนมทองคำ ที่โรงพยาบาลศรีนครินที่เขาให้กับหลวงพ่อที่พระเทพอมอบให้และประทานให้หลวงพ่อได้ไปรับอันนี้ก็เขาก็ต้องเขียนประวัติให้ชัดเจนผู้ที่จะมารับเจดีพระธาตุพนมทองคำอันนี้ก็คือประวัติก็อยู่ในนั้นอยู่แล้ว แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่หลวงพ่อพูดต่างกล้ำต่างวาระที่หลวงพ่อไปเที่ยวที่ไหนอยู่อย่างไรกับครูบาอาจารย์อย่างไรอันนี้ก็ให้ผู้ที่เขียนเนี่ยฟังใน MP ็สของหลวงพ่อ mm. บอหลวงพ่อพูดต่างกล้ำต่างวาระทางพวกท่านทั้งหลายถี่สนใจสนใจใ่ที่จะเขียนก็ควรจะฟัง เอาเอ็มพีของหลวงพ่อมาฟังพอฟังเสร็จแล้วพวกท่านทั้งหลายก็จะได้เขียนในลักษณะอย่างไรไม่ใช่ว่าจะยกมเมฆยกหมอกมาพูดเอาเรื่องไม่เกิดไม่มีเอามาพูดเรื่องไหนก็ตามหลมวงพ่อก็แนะนําแต่ถ้าหาว่าเป็นเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องที่จะต้อง เกิดความสงสัยหรือความไม่สบายใจที่ได้ลงไปนั้นก็อย่าลงลงไปแล้วกลุ่มที่มีศรัทธากับหลวงพ่อเชื่อในหลวงพ่อก็โอ้อนุโมทนาแต่กลุ่มที่ไม่เชื่อก็เป็นบาปเป็นกรรมในจิตในใจของผู้ได้ศึกษาผู้ได้เรียนรู้หลวงพ่อเองไม่อยากจะให้เป็น ทั้งสองอย่างคล้ายๆกับว่าให้เป็นกลางๆเอาไว้นะปกติคนเราก็ต้องมีประวัตินะไม่มีประวัติได้ยังไงเกิดมาแล้วก็ต้องมีประวัติอย่างที่หลวงพ่ออยู่กับหลวงตามหาบัวคราวหนึ่งพวกนักศึกษาเขามาพักมาพักที่วัดของหลวงตาเขาก็บอกว่าหลวงตาครับพวกผมมาพวกผมอยากได้ประวัติ ของหลวงตาแบบย่อ ๆ, ๆพวกเราพอจะเล่าประวัติให้ผมฟังได้ไหมเฮ้ยทำเอาทําไมหลวงตาวะไปทําไมประวัติคนเราก็ต้องมีประวัตินะเอาเถอะครับหลวงตาครับพวกผมอยากจะได้จริงๆประวัติของหลวงตาหลวงตาเออเอาฟังถ้าอยากได้คือเมื่อเช้าเนี่ยหลวงตาก็ตื่นมา ตีสตี4่ลุกมานั่งภาวนาแล้วก็พอสว่างหลงตาก็ลงมาศาลาแล้วก็คลองผ้าไปบินทบาทพอบินทบาทกลับมาแล้วก็มาจัดอาหารแล้วก็ฉันเอ็มพอฉันเอิมขึ้นไปแล้วก็กลับกุฏิก็พักผ่อนแล้วก็ทำกิจที่จะต้องทำพอตกตอนเย็นก็ทำกิจจะวัดขวัด ของพระปาดกวาดพอตกต้นเย็นกันเนี่ยมารับกับลูกกับหลานเนี่ยะที่มานั่งอยู่ที่นี่เอาพอไหมประวัติเพียงแค่นี้โอ้หลวงพ่อได้ยินหลวงพอ่อก็เก่งหลวงตานี่ตอบชันเชิงก็เป็นประวัติเหมือนกันจะปฏิเสธไม่ใช่ประวัติอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่เป็นประวัติ อันนี้ก็คือหลวงตาเล่าประวัติแต่ว่าเจตนาของเขานะเขาอยากจะให้นู่ น, นเกิดที่ไหนอย่างไรไปเที่ยวทุ่งรงกรรมฐานอย่างไรเขาคงจะอยากจะได้อย่างนั้นแต่ก็นั้นก็เป็นประวัติเหมือนกันอันนี้ก็เป็นประวัติปฏิเสธว่าไม่ใช่ประวัติไม่ได้อันนี้ก็คือหลวงตาท่านให้แต่การเขียนประวัติที่หลวงพ่อเอง ในประวัติของหลวงปู่ล่าถ้าพวกเราได้อ่านตั้งแต่เริ่มหน้าแรกประวัติของหลวงปู่ล่าพวกเราก็คงจะเห็นในหน้าหนึ่งในจํานวนนั้นที่หลวงพ่อได้กล่าวปรารถนาให้หลวงปู่ล่าเขียนประวัติขององค์ท่านคือหลวงพ่อไปที่ไรหลวงพ่อรักเคารพในองค์หลวงปู่ท่านก็นเล่าประวัติ อย่างละเอียดทีทวนให้ฟังไปเที่ยวที่ไหนเทีเ่ยวภูเก็ตพังงาไปพบงูไปพบอะไรอยู่ในถ้ำขึ้นภูเขาสูงชันอะไรลักษณะอย่างนั้นพวกเราอ่านดูก็คงจะรู้ว่าประวัติหลวงปูล่ลานท่านเล่าละเอียดทีทวนแต่ในหลวงพ่อก็เออถ้าหว่าต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยถ้าหลวงปู่ไม่อยูเย่เราไม่มีปัญญาที่จะเขียนดอกประวัติน่ พราะเราไม่สันทัดในภาษาอีกต่างหากในการเขียนอีกต่างหากควรจะกราบปรารถนาหลวงปู่ให้ท่านระลึกได้ยังไงท่านก็เขียนเพราะท่านชอบเขียนอยู่แล้วตัวหนังสือของท่านก็รู้สึกว่าเป็นระเบียบสวยงามก็น่าจะกราบปรารถนาท่านหลวงพ่อกววันหนึ่งก็เลยเตรียมสมุดปกแข็งไปหลายเล่มจากนั้นก็ เตรียมปากกาไปใส่ปากกาเซฟเฟอร์ถ้าหลวงพ่อจับไม่ผิดนะเอาไปเป็นกล่องใส่ของมันแล้วกัตัวของมันหลวงพ่อกับไปมอบให้หลวงปู่ครับขอกราบอาราธนาหลวงปู่ครับผมถ้าหลวงปู่เมื่อไหรว่างเมื่อไหรกระผมอาราธนาให้หลวงปู่เขียนประวัติอย่างที่หลวงปู่ได้เล่าให้กับผมฟังกับพระเนนลูกหลานทุกคนได้ฟังนั่นนะ่ะถ้าหากว่า ต่อไปภายภาคหน้าลกกระผมเองก็คงไม่มีปัญญาที่จะเขียนให้ละเอียดทีถ่วนอย่างที่ลกปู่เล่าให้ฟังแต่พวกผมเองได้ฟังแนวปฏิปทาของหลวงปู่ผมเองก็ซึ้งใจที่หลวงปู่ได้เล่าให้ฟังแต่จะให้ผมเขียนอย่างที่หลวงปู่เล่าเนี่ยไม่รู้จะสรรคําพูดไหนที่จะเหมาะสมกับผมผมจึงกระปรารถนาให้หลวงปู่เขียน ประวัติของหลวงปู่เพื่อเมตตาลูกหลานโดยเทินกับผมโดยมากหลวงพ่อกราบราธนาอะไรด้วยเหตุผลน่ท่านจะท่านจะรับนะท่านจะรับไว้ก่อนจากนั้นไปครั้งที่สองไปถามก็ถามพระว่าหลวงปู่เขียนอย่ายังยังออแล้วก็บอกโปหลวงปู่ยังไม่ได้เขียนนอกกับผมออยัง เราก็จะไปขยันขยอมากก็ไม่ได้เพราะเป็นประวัติของท่านเราก็เข้าไปทีแรกเราก็ถามสิบเสียด<ม>อาราธนาไกลๆปวดที่สุดพระก็เลยช่วยผ่านวัดผูจา ก, ก่อก็เลยช่วยบอกโอ้โอโหลวงปู่ท่านอาจารย์อาจารย์อินในท่านเจตนาดีอยากจะให้หลวงปู่เขียนขอหลวงปู่เมตตาเขียนประวัติเท่าที่จะเขียนได้เลยเทินครับหลายคนช่วยกันผูทางก็เลยได้เขียน เขียนความเป็นมาที่แรกอย่างประวัติหลวงปู่ลาดพอเขียนมาแล้วท่านก็อ่านใครมาทั้งก็อ่านให้ฟังด้วยความภาคภูมิใจของท่านพออ่านขึ้นมาแล้วก็จวนจะจบเลยคุณโยมจากกรุงเทพที่เป็ น, นศิทธิานุสิตได้อ่านแล้วโอ้ซึ้งใจบางทีท่านอ่านจนน้าตาท่านไหลเลยนะประวัติของท่านเองท่านก็บอกว่าโยมเขาก็บอกว่าหลวงปู่เจ้าขา ที่ประวัติของหลวงปู่เนี่ยเอาไปพิมพ์เป็นเล่มไดไม้เจ้าค้าท่านโอ้ยไม่พรออนี้เป็นท่านอินให้อัตมา เ, เป็นผู้เขียนไม่ให้หรอกเขาก็ถามว่าหลวงปู่ไม่มั่นใจในในเรื่องเรื่องที่หลวงปู่เขียนอย่างนั้นใช่ไหม ย, ยึงไม่ให้พิมพ์หลวงปู่โอย ไอ้เรื่องมั่นใจเนี่ยทุกคําพูดในนี้มั่นใจทุกคําคําว่าโกหกแล้วว่าหาเรื่องพูดไม่มีมั่นใจทุกคําพูดในข้อเขียนทุกคําเอาถ้าอย่างนั้นก็เอาไปพิมพ์ได้เนี่ยเพื่อเขาคล่องใจสงสัยต่อไปในอนาคต เ, เมื่อลุงปู่ยังมีชีวิตอยู่ลุงปู่ก็จะได้พูดว่าเอา้าเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องนั้นเป็นนี้จะได้แก้ไขในคําพูด ที่เขาสงสัยเขามาถามหลวงปู่ได้พะหลวงปู่ยังมีธาตุมีขันอยู่ยต้องไปหาทาอินก่อนให้ท่านอินก่อนคุณอินโดยมากหลวงพ่อหลวงปูล่ลาท่านจะเรียกคุณอินนะไปหาคุณอินก่อนแต่ี้เขาโยมเขาก็เลยมาหาหลวงพ่อปี2530หลวงพ่อจําไม่ลืมนะอยู่ที่วัดป่าบ้านเพิ่มในพันษา พอหลวงพ่อไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้านเพิ่มปีนั้นน่ะเขาก็ขึ้นมาหลวงพ่อก็ถามว่ามาอย่างไงมาได้อย่างไงทางลําบากเหลือเกินพอะทางก็เป็นทางไม่ได้ ล, ลาดย่างทุกวันนี่เขาก็บอกมีเจตนาอยากจะมาข อ, อ, อความคิดเห็นจากท่านอาจารย์มาขออนุญาตเพราะท่านอาจารย์เป็นต้นเรื่องออที่ขอประวัติหลวงปู่ล่าแต่มาขอท่านท่านก็บอกว่าคุณอินเป็นผู้ขอมา ถ้าจะให้อนุญาตก็ต้องไปหาเจ้าของที่เขาขอสกอแต่หลวงพ่อโอ้ยอาตมาไม่กล้าที่จะพูดอะไรหรอกถ้าหลวงปู่อนุมัติอนุญาตก็เป็นประวัติของหลวงปูอ่อาตมาเองยินดีอนุโมธนาสาธุถ้ายาดยมเอาไปพิมพ์ก็ได้แต่ว่าทางที่ดีในข้อเขียนอาตมาก็ได้ฟังหลวงปู่ท่านพูดอยู่ ท่านปารกบอกคุณอินเป็นผู้ามาให้อัตมาเขียนในในข้อนี้แนหะถ้า อ, าออกซะ ก, ก็ได้เอาออกซะนะไม่ต้องมีชื่ออัตมาหรอกอัตมาไม่ต้องการอะไรมีแต่อยากจะให้ประวัติหลวงปู่สมบูรณ์เท่านั้นพอเขาโอกไม่ได้จุดนั้นเป็นจุดสนวนแรกต้องคงไว้พอหลวงปู่ได้เขียนอย่างนั้นไปแล้วหรือเอาก็สุดแท้แต่อยาเอาไว้ก็ไม่เป็นไร อันนี้ก็คือหลวงพ่อเล่าเท่าเท้าความให้กับพระเนนลูกหลานได้ฟังว่าหลวงพ่อเกี่ยวข้องกับประวัติหลวงปู่ล่าอย่างไร่หลวงพ่อ เ, เห็นจุดไหนอย่างไรที่จะเกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาธนาต่อครูบาอาจารย์ต่อศรัทธาญาติโยมพระเนนลูกหลานแล้วก็หลวงพ่อก็ได้ยินเอกทีเนีย ครูบาจารย์พระเถระมหาเถระแต่หลวงพ่อไม่ขอระบุชื่อท่านก็ให้ความคิดเห็นทั้งสองประเด็นอีกเหมือนกันประเด็นหนึ่งท่านก็ตำหนิครูบาจารย์ที่เกี่ยวกับการเขียนประวัติครูบาจารย์ท่านบอกนั่นถ้าเขียนประวัติครูบาจารย์เมื่อท่านจากไปแล้วเราเขียนเมือกยกเมฆพูด เรื่องไม่มีก็หาพูดเรื่องพูดไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเอ่ำหรับผมเองเนี่ยสำหรับเราเองเนี่ยเราเขียนเลยประวัติของตัวเองตัวเองเป็นยังไงเป็นมาอย่างไรก็เขียนให้ออกมาให้คนทั้งหลายได้รู้ได้รับรู้รับทรบาบแต่จะให้คนอื่นมาเขียนประวัติขคกตัวเองนะ่ยบางทีก็ยกเรื่องราวอะไรยกเมฆมาพูดดูแล้วก็ไม่ค่อยจะถูกต้ององค์หนึ่งแต่องค์หนึ่ง ที่ครูบาอาจารย์องค์ท่านหนึ่งท่านก็ บ, บอกว่าออใช่ที่ท่านอาจารย์พูดที่ท่านพูดอย่างนั้นกระทุกแต่ว่าถ้าเขียนประวัติตัวเองเนะี่ยถ้าไม่ยกย่องตัวเองเนะี่ยจะยกจะทำยังไงก็ต้องยกย่องตัวเองเออยกตัวเองขึ้น เ, ออเป็นอย่างง้นเป็นอย่างงี้ค่ะเป็นอย่างน้นเราเป็นอย่างนี้ออนี่แหละดูๆแล้วถ้าหาเขียนถึงความเป็นจริงก็เถอะมันก็เป็นการ ยกย่องตัวเองไอ้สิ่งที่มันไม่ดีแนวนความคิดที่สิ่งไม่ดีไม่เห็นพูดออกมามันไม่ใช่ว่าจะดีหมดทุกอย่างอันนี้ก็องค์หนึ่งก็พูดขึ้นมาหลวงพ่อก็ฟังทั้งสองข้างอีกเหมือนกันฟังได้ทั้งสองด้านหลวงพองหน่าคิดทั้งสองฝ่ายทั้งสองด้านนี่แหละอันนี้ก็คือประวัติหรือปฏิปทาของครูบาอาจารย์ ไม่ใช่ว่าท่านไม่ถกไม่เถียงกันนะศรัท ธ, ธาญาติโยมลูกหลานไม่ใช่หลวงพ่อไม่ได้ฟังหลวงพ่อก็ได้ฟังแต่ว่าประวัติของหลวงตาเลยท่นี่หลวงตาเขียนเองไหมหลวงตาไม่ได้เขียนเองเนะประวัติของหลวงตาหลวงตาพูดใส่เอ็มพีสา 3, ต่างกลามต่างวาระแล้วก็พูดตอนเช้าพูดในที่ต่างๆที่หลวงตาพูดจากนั้นเขานํามาปฏิดประต่อหรือนํามา ผสมประสานต่างกลัมต่างวาระจากนั้นนั่ะก็เป็นประวัติของท่านออกมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นจวหยดน้ําบนใบบัว เ, เรียกว่าหนังสืองานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารขององค์หลวงปู่ของหลวงตาเล่มใหญ่เล่มชุดท้ายนี่แหละคือประวัติของหลวงตาของพวกเราแต่และาก็ธรรมเทศนาของหลวงตา ก็มีมากหลากหลายในแนวความคิดธรรมเทศนาบ้างประวัติบ้างท่านไปที่ไหนที่ไหนบ้างถ้าจะให้เขียนคงจะเป็นพระไตรปิฎกเล่มหลายเล่มเหมือนกันเพราะว่าหลวงตานี่แสดงธรรมหรือพูดต่างกลัมต่างวาระนี่มาก เ, เกือบจะว่ามากกว่าทุกองคเพราะท่านไปที่ไหนท่านก็ได้ทั้งปริยัตคือท่านได้เป็นมหา ข, ข้องแคล่วทั้งอ克拉บารีแปรอะไรก็ได้ปฏิบัติท่านก็มั่นใจว่าได้อยู่กับองค์หลวงปูมั่นท่านได้สำเร็จมักสำเร็จผลเป็นพระอาหารหันในคืนวันที่เท่านั้นอยู่ที่วัดต้อยธรรมเจดีอันนี้ท่านก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของท่านนี่แหละอันนี้ก็คือแนวปฏิปทาขององหลวงตาของพวกเรา แต่ของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าเออแนวความคิดของหลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดต่างกลำ้ำต่างวาระคที่จุดไหนที่จะเป็นประโยชน์นาธรรมเทศนากันเน้นในทำคาพูดของหลวงพ่อออกมาประกาศเผยแผ่หลวงพ่อก็คิดว่าน่าจะเพียงพอเพราะว่าหลวงพ่อก็ได้พูดใน เอ3มานี่ก็มากพอสมควรที่ไม่ได้ออกออกก็อีกจังเยอะแยะไปที่ปิดเอาไว้ที่ไม่ได้ อ, ออกบางส่วนถ้าจะค้นคว้าศึกษาจริงๆก็ได้หลวงพ่อให้ทั้งหมดแต่เอาออกมาแล้วพวกเราก็จะได้มาตรวจดูผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาษาหนังสือฟังดูที่ให้มันเกิดประโยชน์ กอออกมาแล้วไม่ใช่จะทำร้ายทำลายพระพุทธศาสนาทำร้ายทำลายบุคคลใดใครผู้หนึ่งเป็นการดูถูกเกียดหยามพูดอยู่ในหนังสือนะั้นใครฟังขึ้นมาก่อน เ, อเป็นการกล่าวติฉินนินทาองค์ใดองค์หนึ่งข้างใดข้างหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ททำให้สิทธิอนุสิ์หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเก่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่สบายใจประวัติของเราไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น หลวงพ่อว่าให้ราบปรื่นออกมาสวยงามาให้เป็นตามแนวแถวตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไว้ใน MP3 เนี่ยหลวงพอ่อหลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าที่หลวงพ่อพูดจะเป็นชาดกบงังเป็นเรื่องราวบางังเป็นแนวปฏิบปทาบางังเป็นแนวความคิดบงังและผลแห่งการปฏิบัติของหลวงพ่อบ้ังและการชีวิตประจําวัน ของหลวงพ่อหลวงพ่อเกิดมาจากไงอย่างไรอย่างไงที่ไหนทําไม่หลวงพ่อเองจนถึงได้ในงานชลิละของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จัดมาเกือบทุกองค์ตั้งแต่หลวงปู่ล่าคุณแม่ชีแก้วหลวงปู่จามโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อละอง์หลวงตาจนได้พิ่นยกรรมที่จะได้พิ่นายกรรมจากองค์หลวงตานะเราคิดดูให้ดีก็แล้วกัน ไม่ใช่ธรรมดาท่านไม่ใช่ว่าให้ใครง่ายๆขนาดระดับระดับขั้นหลวงตาท่านต้องมองเห็นอดีตอนาคตพอสมควรท่านจึงได้มอบพินัยกรรมให้แต่หลวงพ่อก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งหญิงกับหลวงตาท่านจะไปเทศนาว่าการที่ไหนหลวงพ่อก็ไม่ได้เข้าไปใกล้แต่ผลสุดท้ายเนี่ยท ำ, ทำไมทําไมท่านจึงจึงมอบพินัยกรรมจุดนี้ให้นี่แหละ สิ่งเหล่านี้ใครมองไม่เห็นคือเหมือนกับพ่อแม่ของเราความมอบความไว้วางใจกับลูกคนใดที่จะทํางานในชิ้นนี้ให้สําเร็จรุ่วงไปได้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าพ่อแม่ผู้ที่ท่านมองแล้วก็พ่อแม่อย่างองหลวงตาไม่ใช่พ่อแม่ธรรมดามีทั้งตานอกมีทั้งตาในามีทั้งตาปัญญามีทั้งตาญาณทัศนะ มีทั้งตาภายนอกที่ท่านดูเห็นกิ จ, จวัตรขวัติไปมาหาสู่คบค้าสมาคมไปกราบไปไหว้ท่านท่านจะต้องมองมองดูทุกอรอบด้านาจึงท่านจึงได้มอบให้อย่างนี้หลวงพ่อเองก็ได้รับพินัยกรรมจากองค์หลวงตาหลวงพ่อนึกขึ้นมาเมื่อไหร่หลวงพ่อก็ยังปึ้มปลื้มใจในความไว้วางใจขององค์หลวงตาที่ท่านมอบให้ เพราะนั้นเรื่องประวัติที่เขาจะเขียนเนี่ยหลวงพ่อได้อนุมัติอนุญาตให้เขาแล้วให้เขาเขียนแต่ว่าเขาไม่ใช่ว่าจะเขาเขียนยังไงกับสุดแท้เขาจะเขียนเราก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นเมื่อเขาเขียนแล้วแล้วเขาก็บอกว่าจะเอามาให้หลวงพ่อกับผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหนังสือตรวจตราทุกครั้งทุกขั้นตอนที่จะออกไป สรุปแล้วก็คือความเป็นธรรมเป็นธรรมเขาไม่ได้ทำเพื่อซื้อเพื่อขายไม่ได้ทำเพื่อหวังผลกำไรทำเพื่อหวังบุญกุศลหลวงพ่อก็เห็นน้ำจิตน้ำใจของศรัทธาญาติโยมคนกลุ่มนี้หลวงพ่อจึงมอบความไว้วางใจให้กับศรัทธาญาิโ ย, ายามลูกหลานาที่ท่านที่เขาเหล่านั้นจะเขียนไม่ใช่ว่าจะเขียนคนเดียวคงจะเป็นทีมเป็น10 ส, ส, ส, สคนขึ้นไปแหละ ที่จะออกแสดงความคิดเห็นถอดเทบถอดเรื่องราวต่างๆที่ได้พบได้เห็นแล้วก็ตรงไหนสงสัยเขาคงจะมาถามเป็นครั้งคราวที่จะออกไปนี่แหละประวัติของหลวงพ่อเนี่ยถ้าไม่มีการพลิกผันอย่างอื่นคงออกออกแน่เขากะกะไว้กับประมาณอายุ72ปีนะหลวงพ่อหลวงพ่อคงจะออกในช่วงนั้น ส2บสองอายุหลวงพ่อ72ปีเขาว่างั้นนะอนี้หลวงพวกเราค่อยฟังค่อยๆดูนะลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมรับรู้รับทราบร้อมกันนะและก็วันนี้หลวงพ่อเองก็เลยรับแขกรับคนมากพอสมควรหลวงพ่อได้เล่าความเป็นมาอย่างนี้ให้กับคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานพระเนนได้ฟังและก็ตอนน่อไปก็ให้ พระเปิด mp3 ที่หลวงพ่อขึ้นเบื้องต้นว่าผู้เข้ามาปฏิบัติใหม่ปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะได้รับผล เ, เร็วหรือพบผลดีที่สุดหลวงพ่อก็จะได้อธิบายแต่เนื้อหาสาราหลวงพอ่อคงจะลืมแล้วละ่ะแต่หลวงพ่อก็ได้อ่านแต่ เ, เบื้องต้นเพราะนั้นให้พระท่านเปิดเปิดห้วยที่พวกเรานั่งสมาธิฟังนะทีนะนั่งคัตสมาธิฟัง พวกเราลูกหลานทั้งหลายนั่งภาวนาและก็พร้อมกันพวกพระที่บวชใหม่พวกคุบาทั้งหลายาควรจะภาวนาควรจะจริงจังนะลูกหลานนะเพราะเหตุไรเราบวชมาทั้งทีควรจะงดอ ด, ดนอนสิเป็นยังไงเนศั ช, ชิเนี่ยพวกคณะัตธาญาติโยมก็เหมือนกันพวกผู้ชายจะไปนอนศาลาข้างนอกก็ได้ มีมุ้งขอบเดินจงกรมอยู่บริเวณนั่นเดินจงกรมยังไงก็ได้แล้วก็ประตูก็ปิดซะใส่กุญแจข้างในก็ได้เอาลูกกุญแจไปเราไม่ต้องให้คู่คนภายนอกเข้าไปปิดประตูทั้ง2บานใส่กุญแจท้างในเวลาเราจะออกมาเราค่อยเปิดพดทางน้ําท่องห้องน้ําอะไรก็มีพร้อมอยู่ในนั้นอยู่แล้วความปลอดภยัยมีนี่แหละถ้าใครจะมานอน อยู่ข้างนอกมาเดินจงกรมนั่งภาวนาข้างนอกบําเพ็ญอยู่สล า, าข้างสล า, าใหญ่ก็ได้นะพี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานนะนี่แหละอันนี้เรามาบําเพ็ญมาบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาบําเพ็ญเรื่องจิตภาวนาวันพระนี่นะพวกพระเหมือนกันพวกกูบาทั้งหลายกันภาวนาเดินจงกรม จุดทเทียนจุดเทียนแล้วก็เดินเดินแล้วก็นัง่งน่งแล้วก็เดินเดินแล้วก็นัง่งนั่งแล้วก็เดินเอาดูสิเนสชิไม่นอนตลอดคืนหดูสิเป็นยังไงนั่งให้นานฮะ ส, สู้สู้ทุกรูปแบบทั้งเวทนาทั้งทุกอะไรฮะให้พวกเร า, เ, าเป็นการนั่งหดูสิทดลองฮะถ้าพวกเราไม่ไม่จริงไม่จัง ไม่กล้ามันจะไม่เห็นนะจะไม่เห็นมักเห็นผลจะไม่เห็นความสุขทางจิตภาวนาสุขของสมาธินะลูกหลานนะให้ตั้งใจสู้ดูสินะอาตอนนี้ไปเปิดได้แล้วนะทีนี้นะ